ปุนาจัปปะรังปิกเวปิกุิมเมวกายังยทาติตังยทธาปณิหตังธาตุโสปัจเเวกติอัติิมสมิงกายปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุตีเยธาปิปิกเวตคโคาตัควาโคตะกันเตวาสีวา คาวิงวัติตัาจตุมหาปเทปิละโซวิปชิตัวนิสินโนอาซาเอวเมวากุปิกเวปิกุอมเมวากายังยะธาติตังย t h าปนิตังธาตุโสปัจเวคติอาทิอิมสมิงกาเยปัตวิธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโธาตุตี อิติอาชาตังวาคายาโนปัสส s วิห a ระติเอวัมปิโกปิกเวปิกุคายาโนปัสสิวิหรติธาตุมณสิการะังนิธิตัง